ซั์ที่อยู่ในยานหนึ่งรที่ชื่อว่ายานได้แก่วรถเกวียนคานหามที่ชื่อว่าทรับที่อยู่ในยานได้แก่ทรับที่เขาเก็บไว้ในยานภิกษุมีทายจิตคิดจะลักรับที่อยู่ในยานหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัตทุกกฎจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลจใจทาให้เคลื่อนที่ ต้องอบัดปาราชิกภิกษุมีทยจิตคิดจลักญานหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัติทุกกฏจับต้องต้องอบัติทุกกฏทำให้ไหวต้องอบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัดปาราชิก